วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามีนาคมพุทธศักราชสองพัห้ารห้าสบดวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่มเดือนสามเป็นวันพระใหญ่เมื่อเช้าก็คณะสัทธายาจูงก็มาวัดมากอยู่แล้วก็ตอนบ่ายตอนเที่ยงเป็นวันพระสงหลงอุโบสถตอนเย็นวันนี้ก็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 อสรุปแล้วก็คือเป็นการสรรเสริญเรียก ว, ว่าการวางตัวอเรียก ว, ว่าการวางตัวของพวกเราจะทำยังไงมันจึงจะถูกต้องแต่ทําไงมันจะจะเป็นธรรมในการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันทั้งวินดวงวิญญาณถ่าไม่มองไม่เห็นตัวเลยอย่างภูมิปัขะเทวดาอย่างเนี้ยเรียก ว, ว่าทางว่ายัง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 ประพฤติปฏิบัติเจอเป็นแนวแถวปฏิบัติแต่หลวงพ่อบอกได้เลยนะบอกว่าลูกหลานทุกองค์นะที่มาบวชผ่านวัดหลวงพ่อไปแล้วกลับไปแล้วยังไปหากินเหล้าเมายาตาปืออ้อนนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินไม่คิดไม่ใช่ลูกศิษย์วัดป่านาคาน้อยถ้าเป็นลูกศิษย์วัดป่านาคาน้อยแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะคิดทำอะไร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 อย่างวันพระอย่างเนี้ยวันพระแปดข้ามสิบห้าข้ามเออวันพระไว้เราจะน่าจะรักษาศีล น, นี่แหละอันนี้ก็คือเราฝึกหัดเป็นคนดีอย่างมหาฉนกนะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินของราษทุกวันพระในท่านรักษาศีนุโบสดนะขนาดไปตกไปน้ำทะเลเรือแตกเรืออับปางนะอับปางกลางทะเลนะ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 ทำความสะอาดปากบางทีอาจจะมีเศษอาหารน้ำลายอะไรเข้าไปในปากไนะ mm hmm. อ้อคว่าน้ำที่สกปกเข้าไปในปากบ้วนปากนะ mm hmm. อ่ะ อ, อมน้ำเส็กบบ้วนปากเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถนะ mm hmm. นี่แหละอันนี้แหะคือแนวบัณฑิตนักปราชญ์จากนั้นจนร้อนถึงนางเมฆคาลาเทวดาที่รักษาน้ำทะเลโอ้อันนี้เป็น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 แปลว่าเราเข้าม า, อ, าอยู่ในร่มต้นมะม่วงแล้วได้เลีมรสผลมะม่วงรสของต้นมะม่วงผลของมะม่วงอเองน่าจะ <c oughs> อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้อได้รับความร่มเย็นแล้วก็ <c oughs> ได้เลี้ยมรสผลมะม่วงแล้วขน่ะเมื่อออกไปเป็นคารวาสเราก็ลืมไม่ลงทีเดีย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 ไม่ได้อบรมบ่มนิสัยของตัวเองเอ่ไม่ได้มาบำเพ็ญจิตตภาวนาเลยมันไม่ถูกนะลูกหลานนะอ่ต้องเข้มงวดกวดขันนะตั้งใจภาวนานะไอ้หลวงพ่อเนะี่ยไม่ได้วัดของหลวงพ่อไม่ใช่ได้สอนอย่างอื่นเออให้สอนให้ภาวนาเท่านั้นแหละนะอา่าววันนี้เอาเพียงเท่านี้ก่อนแต่ตุ๊กแกเท่นี้มันขยันเหลือเกิน